ตอนที่18ความการุณาของพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เสดจจาริกเที่ยวสั่งสอนไปในที่ต่างๆทรงพักค้างคืนอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งพราหมณ์ชาวนาที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้นผู้หนึ่งได้ตั้งใจว่ารุ่งเชา้จาจกไปฟังธรรมของพระองค์ แต่โชคไม่เข้าข้างปรากฏว่าวัวตัวเดียวของเขาได้หลุดหายไปในกลางคืนนั้นเขายากจนมากไม่อาจปล่อยให้เสียหายได้เขารีบออกติดตามไปในป่าโดยหวังว่าคงจะพบวัวในเวลาไม่นานกลับมาได้ทันฟังเทศแต่วัวได้ไปไกลเกินกว่าที่คาดหวังไว้กว่าจะพบได้ก็เลยเที่ยงวันไปแล้วเขารีบนำวัวกลับบ้านด้วยอาการอ่อนเพลีย และเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งไปวิ่งมาท่ามกลางแดดอันร้อนแรงแต่เขาก็ไม่ยอมรับประทานอาหารหรือพักผ่อนเขารีบวิ้งไปสู่ที่ที่พระพุทธองค์ประทับโดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุดได้ฟังตอนท้ายก็อย่างดีแต่เมื่อถึงที่แสดงธรรมเขาทั้งประหลาดใจและดีใจอย่างสูงสุดที่ได้มาทันเวลาพระพุทธองค์ยังทรงประทับนิ่งนิ่งอยู่ท่ามกลางประชาชนเป็นอันมาก เขาค่อยๆคลานเข้าไปเงียบเงียบหาที่นั่งทางท้ายที่ประชุมนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรมองดูเขาเมื่อเข้ามาที่ประตูและตรัสถามว่าเขาได้รับประทานอะไรมาบ้างหรือเปล่าชาวนาผู้นั้นทูลว่าเขาเพิ่งกลับจากการไล่ตามวัวตั้งแต่เช้าและยังไม่ได้หยุดหาอะไรรับประทานเพราะเกรงจะพลาดการฟังธรรมพระพุทธองค์รับสั่งให้อุปถากผู้หนึ่ง ไปนำอาหารบางอย่างมาให้ชาวนาผู้นั้นและทรงรอจนเขารับประทานอาหารเสร็จรำงับความหิวกระหายได้เข้ามาเฝ้าใกล้ๆพระองค์แล้วจึงทรงเริ่มแสดงธรรมชาวบ้านและพระภิกษุเป็นอันมากพากันเห็นว่าแปลกประหลาดและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ไปทรงเอาใจใส่ในเรื่องอาหารของคนเพียงคนเดียวทั้งเป็นเพียงคารวาสมิใช่พระภิกษุ มีหนมซ้ำยังเป็นพรามซึ่งไม่ได้เป็นสาวกของพระองค์มาก่อนแต่ด้วยพระกรุณาและความตั้งพระทัยที่มีต่อพรามนั้นได้เป็นผลดียิ่งหัวใจของพรามเต็มตื้นในความเผื่อแผ่ของพระองค์ที่ทรงทราบวาระจิตของเขาว่าเขาต้องการฟังธรรมจึงประทับรอจนเขากลับมาได้ทันและเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว เขาก็ได้ ก, กลายเป็นสาวกของพระองค์จนตลอดชีวิต mm hmm. และอีกคราวหนึ่งในเมืองซึ่งพระองค์กำลังประทับอยู่นั้น mm hmm. เด็กหญิงลูกสาวของช่างพอผ้าคนหนึ่งปรารถนาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งแต่ในวันแสดงพระธรรมนั้น เพ อ, เอิอนมีงานด่วนที่จะต้องรีบทำให้เสร็จในวันนั้นจึงพยายามเร่งรีบกรอได้จนเสร็จก่อนเวลาแล้วรีบเดินทางไปส่งม้วนได้นั้นแก่บิดายังโรงทอผ้าอีกแห่งหนึ่งโดยตั้งใจว่าจะมีเวลาเหลือสำหรับการฟังธรรมนั้นด้วยแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นเองเขาได้ผ่านที่ที่หมู่ชนกำลังนั่งฟังธรรมเด็กหญิงได้ ว, วางหลอดได้ลงแล้วนั่งอยู่แถวหลังสุด แต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเด็กหญิงคนนี้พร้อมที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์จึงรับสั่งให้เข้ามานั่งใกล้ๆเพื่อจะได้ฟังถนัดไม่ผิดพลาดและทรงทักทายเพื่อให้เกิดปีติใจหายประมากลัวโดยตรัสถามว่าเขามาแต่ไหนและกําลังจะไปข้างไหนเด็กหญิงนั้นทั้งๆ ท, ที่มีผู้รู้ว่ามาจากไหน และกำลังจะไปไหนกลับภูลตอบว่าพระผู้มีพระภาคดิฉันไม่ทราบว่าดิฉันมาจากไหนและไม่ทราบว่าจะไปสู่ที่ไหนประชาชนที่นั่งฟังอยู่พากันขัดเคืองที่เด็กหญิงผู้นั้นกล้าพูดตลกจ่วงจาบพระพุทธองค์ผู้เป็นบุคคลสูงสุดต่างกระซิบกันให้ฆ่าตัวเด็กคนนี้ออกไปให้พ้นที่ประชุมเพราะการกระทาที่ไม่งดงามนั้น แต่พระพุทธองค์ทรงทราบถึงความคิดของเด็กหญิงผู้นี้ได้ดีจึงทรงห้ามประชาชนให้นิ่งฟังและทรงเหลียวไปตรัสให้เด็กหญิงอธิบายความหมายของคำที่กล่าวนั้นเด็กหญิงนั้นทูลว่าดิฉันทราบดีว่าดิฉันมาจากบ้านและกําลังไปสู่โรงทอผ้าที่พ่อกําลังทอผ้าอยู่แต่ข้อที่ดิฉันมาสู่พบนี้จากพบไหนนั้นดิฉันไม่ทราบเลยและดิฉันก็ไม่แน่ใจว่า พบเบื้องหน้าของดิฉันนั้นจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบสิ่งทั้งสองนี้จริงๆแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าค่าพระพุทธองค์และประชาชนในที่นั้นรู้สึกชื่นชมในสติปัญญาความคิดของเด็กหญิงผู้นี้และเมื่อเขาได้ตั้งอกตั้งใจฟังพระองค์แสดงธรรมตั้งแต่ต้นจนตลอดเด็กหญิงผู้นี้ก็ได้บรรลุธรรมอันดับแรกของการลุถึงนิพพานอันเป็นธรรมชั้นโสดาบัน รือได้เข้าถึงกระแสทางแห่งนิพพานอย่างแน่วแน่ไม่มีการเวียนกลับอีกต่อไปจนกว่าจะลุถึงนิพพานนั้นอีกคราวหนึ่งเมื่อเสด็จไปตามป่าลึกทรงพบเนื้อตัวหนึ่งติดบ่วงของนายพรานกำลังดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ ทรงแก้บ่วงปล่อยสัตว์นั้นให้หลุดรอดไปและทรงประทับนักโคนไม้ใกล้ๆนั้นและเพียงนายพรานเหลือบตาดูด้วยความชนานาญขณะเมื่อกลับมานั้นเขาแน่ใจว่ามีเนื้อมาติดบ่วงและมีผู้มาปลดปล่อยไปพอเหลียวมาพบนักบวชครองผ้าเหลืองนั่งอยู่เขาก็ทราบทันทีว่าต้องเป็นบุคคลผู้นี้แหละที่ทาให้เขาสูญเสียเนื้อไปตัวหนึ่งเขาคำรามด้วยความโกรธว่า มันมากเกินไปแล้วพวกนักบุญที่เที่ยวทำลายผลประโยชน์คนอื่นเพื่อบุญกุศลของตนอย่างไม่เข้าเรื่องเขายกขันสอนขึ้นด้วยความโกรธหยิบลูกสอนเหนี่ยวสายแล้วเล็งตรงไปยังพระพุทธองค์ซึ่งประทับนิ่งสงบอยู่เขาลงมือยิงลูกสอนออกไปพลางพูดว่าแบบนี้ไม่เปลืองลูกสอนมากดอกเดียวก็เกินพอแต่ปรากฏว่ามือเขาสั่น ลูกสอนจึงพลาดที่หมายเขายิ่งโกรธตัวเองยิ่งขึ้นในชีวิตพรานของเขาไม่เคยยิงอะไรผิดพลาดเขายิงไปอีกดอกหนึ่งก็ผิดอีกเขายิ่งประหลาดใจที่เขาสูญสิ้นความแม่นยำอย่างกระทันหันทั้งที่ระยะใกล้นิดเดียวแต่ก็ฝืนยิงอีกเป็นดอกสุดท้ายซึ่งก็พลาดที่หมายอีกเช่นเดียวกันความประวติพ่านกลัวจนสุดประมาณเกิดขึ้นในใจเขา จนคันศรตกจากมือเขามอบคลานไปสู่ที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่และทูลถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสตอบและทรงอธิบายให้เขาทราบถึงความชั่วอันเกิดจากการทำลายชีวิตซึ่งเป็นการง่ายต่อการทำลายแต่ยากยิ่งที่จะทำให้กลับคืนมาได้พรานผู้นั้นจับใจในคําตรัสและพระอริยาบทของพระองค์ยิ่งนัก ถึงกับกระทำสัญญาต่อพระองค์ว่านับแต่นั้นไปเขาจักเลี้ยงชีพด้วยการกระทำที่ไม่เบียดเบียนหรือทำลายชีวิตสัตว์ใดๆตามที่พระองค์ขอร้องบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเฝ้าแต่ทำการล้างผลาญชีวิตแล้วกลับตัวได้ตามคำแนะนาของพระองค์มีชื่อว่าองคุลีมานอันแปลว่ามาลัยแห่งนิ้วมือเพราะเขาฆ่ามนุษย์ แล้วตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงแขวนไว้รอบรอบคอถึง99คนแล้ววันหนึ่งเขาคอยอยู่ข้างทางเพื่อฆ่าคนให้ครบร้อยคนเรื่องบังเอิญว่าพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาทางที่เขาคอยอยู่พอดีเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นอะไรเขาต้องการแต่จะให้พวงมาไลยนิ้วมือของเขาครบร้อยนิ้วเท่านั้น องคุรีมานก็เหมือนกับนายพรานที่กล่าวแล้วเขาพยายามที่จะเข้าถึงพระองค์เพื่อทำลายชีวิตถึงสามครั้งสามหนแต่ก็ไม่สำเร็จเขารู้สึกประหลาดใจและครั่นคล้ามเป็นอันมากได้เข้าไปหาพระองค์ด้วยความเคารพภูนถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงตอบโดยไม่ได้พาดพิงถึงการที่เขาพยายามทาลายชีวิตพระองค์แม้แต่คาเดียวแต่ได้ตรัสอธิบายทาให้แกเขาอย่างลึกซึ้ง เขาได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าโดยตรงเช่นนั้นก็สำนึกในความผิดละการกระทาชั่วร้ายนั้นและได้บวชเป็นภิกษุเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจนลุถึงความเป็นพระอรหันต์แต่แม้กระนั้นพระองคุลิมานี้ก็ยังไม่พ้นไปจากผลกรรมที่กระทาไว้ในการก่อน เมื่อท่านเข้าไปบินทบาทในนครสาวัตถีคนเป็นอันมากได้รุมกันคว้างปาท่านด้วยไม้ค้อนก้อนอิดก้อนดินได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสจนบาดแตกกระจายทุกครั้งทุกคราวทุกหนทุกแห่งที่ท่านไปแต่ท่านก็ไม่ได้โศกเศร้าน้อยใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นและก็ไม่ได้โกรธเคืองบุคคลที่ว้างปาท่านท่านทราบดีว่ามันเป็นผลของกรรมเก่า และมันเป็นการดีมากทีเดียวที่ได้รับผลกรรมเสียให้เสร็จสิ้นไปแทนที่จะติดค้างกันอยู่อย่างไม่รู้สิ้นสุดดังนั้นท่านองคุริมานจึงดับขันด้วยความสงบและลุถึงนิพพาน